ที่เกิดทันชีวิตต่างจังหวัดหรือว่าชีวิตตามบรรนอกเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วถือว่าโชคดีมากนะเพราะว่าจะได้เห็นวิวัฒนาการตั้งแต่ใช้ตะเกียงแทนไฟฟ้าใช้วัวควายเป็นยานพาหนะตัวของบีเองก็เหมือนกันค่ะเกิดทันในยุค30ปีไหมเพราะว่าปัจจุบันนี้อายุ32แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงทันอยู่ในยุคที่ไฟฟ้าเพิ่งจะเริ่มเข้ามาในหมู่บ้านจาได้ว่าบ้านของบีเนี่ยคุณปู่จะเป็นช่างตีเหล็กนะคะ แล้วก็บ้านของคุณปู่ที่ตีเหล็กเนี่ยก็จะมีต้นมะขามอยู่กลางหมู่บ้านนะคะต้นมะขามใหญ่มากค่ะแล้วก็จะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงตั้งขนานอยู่ด้านข้างเป็นด้านมุมบ้านเนี่ยนะคะก็จะอยู่หน้าบ้านไฟฟ้าช็อตทีนีง น, นี่ไฟดับเป็นทั้งหมู่บ้านเลยสาเหตุหลักๆไม่มีอะไรหรอกค่ะงูเขียวมันมาจากต้นมะขามที่อยู่บ้านนี่แหละมันก็เลื้อยไปก็ไปโดนสายไฟฟ้าแรงสูงเข้าก็ระเบิดตุ้ม ไปดับมันทั้งหมู่บ้านเลยทีนี้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงบางทีก็เป็นวันกว่าการไฟฟ้าเขาจะมาถึงซึ่งการคมนาคมในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่พัฒนาแล้วก็ไม่ค่อยเจริญเหมือนปัจจุบันนี้นะคะบ้านของบีเองก็เลยค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับชาวบ้านเขา ไม่มีอิทธิพลได้อย่างไรถ้าต้นมะขามยาวเกินไปไปโดนสายไฟมันก็ชอ็อตถูกไหมคะงูเขียวมันมามันไปโดนมันก็ชอ็อตเพราะมันขึ้นที่อื่นไม่ได้นอกจากที่นี่ณปัจจุบันนี้ต้นมะขามต้นนั้นยังคงอยู่นะถึงแม้ว่าปู่ของบีจะไม่อยู่แล้วจะเสียไปแล้วแต่ต้นมะขามต้นนี้ยังคงอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยจะปั่นจักรยานปั่นจักรยานแล้วก็เอาออแบตเตอรี่ 3K แบตเตอรี่อันใหญ่ๆนี่พ่วงท้ายจักรยานเอาไปชาร์จในหมู่บ้าน เอามาทุ่งนาเพราะว่าตอนเป็นเด็กนอนอยู่ทุ่งนากับพ่อกับแม่เอามาเปิดทีวีดูทีวีขาวดําแบบบิดดังแทบแทบแทบสมัยก่อนอ้ชีวิตวินเทจมากๆคุณผู้ฟังอ่ะเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่าค่ะถ้าหากว่าใครเกิดทันในปีประมาณสักสี่สปีเนี่ยถือว่าโชคดีเพราะว่าจะเห็นวิวัฒนาการตั้งแต่ใช้ตะเกียงแทนไฟฟ้าใช้วัวควายเป็นยานพาหนะนะคะเรื่องราวเหล่านี้เมื่อถูกคนเก่าคนแก่สืบทอด เป็นอันต้มนั่งฟังนอนฟังละค่ะตั้งใจฟังยิ่งกว่าเรียนหนังสือซะอีกมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เด็กๆตั้งใจฟังคงหนีไม่พ้นเรื่องผีตัวของบีเองก็กลัวเหมือนกันนะแต่ก็ไม่พลาดที่จะฟังเรื่องเดิมๆ เ, เป็น10บๆรอบขอแค่คุณยายเล่าให้ฟังไม่เคยเบื่อนะคะ บ้านของเราเนี่ยอยู่ในชนบทแถบภาคอีสานทำนาตามภาษาก็เกิดทันในยุคที่มีมอเตอร์ไซค์ยมห a h สีแดงขาวเสียงดังๆใช้แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ารุ่นอะไรจำไม่ได้ส่วนการเดินทางเนี่ยไปทำนาเนี่ยก็ต้องใช้รถอีแท็กรถไถนาเดินตามแบบพ่วงด้วยกระบะไม้นะซึ่งกิจกรรมเวลาดำนาก็คือการหอบกล้าค่ะหอบกล้าคือต้นข้าว จากคนที่ถอนต้นข้าวไปให้คนที่กําลังดํานาทําบ้างเล่นน้ำซะส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ค่อยทําเล่นน้ําเวลาหอบต้นกล้าไปให้คนที่เขาดำนาเนี่ยก็จะเจอชอบเจอพวกงูดังแห่ไม่รู้ว่าภาษาภาคกลางภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็มีงูปลาถ้าเจออีสอตัวนี้ไม่ทําทั้งวันไม่ทําเลยคุณรู้บ้างแล้วก็ฝนตกฟ้าร้องอันนี้ก็ไม่ทําเหมือนกันกลัววิ่งขึ้นเถียงนาอย่างเดียวเลยนะคะทีนี้ผู้ใหญ่ก็จะดุ ผ้าไม่เลิกเล่นถ้าไม่เลิกแช่น้ํานะก็จะโดนไม่เรียวแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยถึงเวลาต้องนอนก็จะมีเปลผ้าขาวม้าผูกไว้กับเถียงนาน้อยซึ่งเด็กน้อยสมัยนี้แทบไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้แล้วนะคุณผู้ฟังคือที่จริงอยากจะเล่าให้ฟังเยอะกว่านี้ค่ะเพราะเชื่อว่าหลายคนคงเคยมีบรรยากาศแล้วก็คงอยากจะมีอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้เองมันก็มีแค่ความทรงจําสีจางๆนะคะในเมื่อ เราจะเล่าเรื่องผีก็คงต้องเล่าเรื่องผีล้วค่ะนอกเรื่องมากไม่ได้เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะด่าเอาเอาเป็นว่าอารัมพบมานานๆเนี่ยคืออยากจะให้นึกถึงบรรยากาศแล้วก็ความเชื่อในสมัยนั้นนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่วัดมีหนังกลางแปลงแน่นอนว่าต้องมีการหอบลูกกระเตงหลานไปดูละตัวของบีเองก็เป็นคนหนึ่งที่โดนกระเตงไปด้วยซึ่งตอนนั้นก็ถ้าจาไม่ผิดอายุน่าจะประมาณสักห้ากขวบอะค่ะ พูดเก่งเลยล่ะนะคะช่วงนั้นซึ่งตอนเป็นเด็กยายเคยบอกว่าเอาเกียรจนามาตีปากไว้จนปากดําหมดเลยบอกว่าให้พูดเก่งๆให้พูดเก่งๆปัจจุบันนี้ก็เลยพูดแบบน้ําไหลไฟดับนะคะลิงก็หลับได้เลยนอกเรื่องอีกแล้วเดี๋ยวโดนว่าอะเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่านะคะก็แน่นอนค่ะว่าไม่ยอมเดินเองกลัว หนังกลางแปลงถูกฉายในวัดห่างจากบ้านไปประมาณ2กิโลก็เดินสิฮะจะมีรถที่ไหนหากว่าจะเป็นรถจักรยานก็คงไม่มีใครกล้ากระเตงลูกไปครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวใหญ่เลยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปาาู่ย่าตายายอ้ยคุณพ่อคุณแม่ของคุณย่าไปกันหมดเลยแล้วก็เรื่องราวของหนังเนี่ยไม่ได้น่าสนใจนะคือไม่ได้ดูไงห้าขวบหขวบจะดูดูเรื่องอะไรเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องนี้ค่ะ เมื่อตอนเดินกลับกลับกันประมาณห้าหกคนคุณยายเองก็จําไม่ได้รู้แค่ว่ามีผู้ใหญ่สองคนนะคะก็จะมีมีคุณยายมีคุณต า, านะคะแล้วก็ตัวของบีเน่ก็จะขี่บ่าคุณพ่ อ, อลูกหลานที่โตแล้วก็เดินเอานะคะดึกดื่นเที่ยงคืนอย่างนี้ไม่น่าพิรมเท่าไหร่ก็เดินกันอย่างเรียบร้อยเป็นระเบียบเคยเห็นเป็ดมเป็ดเดินเดินเลี่ยงกันไปบางคนก็เดินนาหน้า เดินนำหน้านี้ก็จะมีคุณยายค่ะคุณยายกับคุณตาคุณพ่อเดินรังท้ายคุณแม่ก็จะเดินอยู่ข้างหน้าคุณพ่อแล้วก็ตัวบีก็ขี่คอนะคะแล้วก็มือของคุณยายก็จูงลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึงมือของคุณแม่ก็จูงลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึงนะคะซึ่งพ่อแม่เขาไม่มาด้วยนะคะเดินไปสักพักหนึ่งคุณยายปวดฉี่ก็เลยต้องจอดรอคุณยายทีนี้ไอ้เราก็อยากจะลงไปเดินบ้าง ลงไปเดินกับยายบ้างเพื่อที่จะเป็นเพื่อนยายนะคะสุดท้ายก็เลยต้องเดินรังท้ายไปกับยายยายก็จูงมือไปนะคะส่วนลูกหลานคนอื่นๆก็โดนคุณพ่อจูงมือบ้างนะคะโดนคุณยายคุณตาจูงมือไปบ้างเราได้อภิสิทธิ์ โดนกระเตงโดยคุณยายนะคะซึ่งแกก็นั่งปัสสาวะปิดปๆปิอะไรของแกปายอยู่ข้างทางก็จนเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะดึกดื่นเที่ยงคืนแบบนี้ก็เดินกันเป็นระเบียบเหมือนเดิมนะคะเราก็อยู่ล้างท้ายสุดกับคุณยายค่ะซึ่งแน่นอนว่าข้างหน้าของเราเนี่ยต้องหันไปทางที่เดินจากมาและด้วยความเฉลียวฉลาดแล้วก็เป็นเด็กช่างถามลืมไปว่าล้างท้ายด้วยนะก็เลยตั้งถามคุณยายนะคะบอกว่า ไม่ใายไม่ใายเอออันนั้นคือบอสไซเสือผมบบกเงาหนึ่งคือเอากางปลาอันแบบใหญ่นึงมาว่วีใดว่ะแปลภาษาไทยให้ด้วยนะคะใตใ้คอมเมนต์แค่นั้นล่ะค่ะคุณยาาเล่าให้ฟังคุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าวิ่งกันทั้งคนแก่ทั้งเด็กจนคุณยายผ้าถุงหลุดลุยกันเลยทีเดียวเราเป็นคนโชคดีไงจำอะไรไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้คุณตาก็ชอบพูดล้อคุณยายไป ม, มาบอก ย่านผีจนสินเฮียเออกลัวผีจนผัาถุงหลุดนะคะส่วนจุดที่เจอเนี่ยเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งจะมีบ่อน้ำเก่าที่ถูกถมอยู่แล้วภาคอีสานเรียกว่าสางหางนะคะส่วนตำนานที่นี่นะคะไม่เคยได้ยินอะไรเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังคงจะไม่เคยได้ยินมาจากที่ไหนแน่นอนเลยนะคะทีนี้มาฟังเรื่องของคุณตากันบ้างค่ะคุณตา เป็นคนหน้าตาดียิ่งแต่หนุ่มนะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเล่าแต่ว่าอยากอวดสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการไปนอนที่ทุ่งนาคุณตากับคุณยายก็ต้องไปกันเป็นประจำส่วนที่นอนก็คือเถียงนา น, น, อน้อยดีๆนี่เองพอพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าสองตายายก็จะพากันหอบมุ้งไปเดินตามก้นกันไปนอนนาที่ที่ไกลออกไปจากหมู่บ้านประมาณ 2-3 กิโลแล้วดูชนบทชนบทนะคะแต่ว่าก็ชนบทจริงๆนะสมัยก่อน ทีนี้เนี่ยในส่วนของคุณตาคุณยายนะคะก็จัดแจงกลางมุง้งคุณตาก็ทำพิธีไล่ยุงะะมีการอ้ควันขมงโฉงเฉงจุดเปลือกมะพร้าวแห้งนะคะถ้าใครคิดภาพเถียงนาไม่ออกนะลองเซิร์ชใน google ดูนะคะก็จะเป็นเถียงนาบอกว่าเขียนคำว่าเถียงนาก็จะเห็นเถียงนา ส, ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่พอถึงเข่าประมาณนี้พอทาอะไรเรียบร้อยเสร็จก็นอนค่ะ2ตายายก็เล่านิทานให้ฟังก่อน อันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าจําไม่ได้นะคะโอเคมาถึงเรื่องที่จะเล่าดีกว่าตกดึกมาคุณตารู้สึกตุบๆที่ตีนเหมือนมีคนมาดึงนิ้วเท้าเล่นทีละนิ้วทีละนิ้วตอนนั้นคุณตาอาจจะคิดว่าคุณยายอยากจะจ้ำจี้หรือเปล่าก็เลยนอนต่อไม่ได้สนใจสักพักหนึ่งนอนตะแคงหันหลังให้ยายก็ได้กลิ่นคาวค่ะเหมือนดมมือจับปลาเป็นเป็นมานะลองไปจับปลาดูถ้าไม่ไม่รู้ว่าคาวไงจับปลาแล้วมันดมดูคุณตาก็เลยค่อยๆลืมตาขึ้นมาเจอเลยค่ะ เจอเป็นผีแบบแคกรๆหัวโผล่พ้นแค่มายื่นมือ ามาที่นิ้วแล้วก็เกี่ยวกันทั้งสองข้างแล้วก็กระซิบข้างหูปู่บอกว่ากองกอยตะหมอกคอเกลือแน่ประมาณนี้ไม่รู้ว่าผีวกองกอยลองไปสืบดูนะว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าหลังจากนั้นคุณตาจะทํายังไงต่อก็ไม่รู้นะคะซึ่งก็คุณตาเล่ามาให้ฟังเพียงแค่นี้ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าถุกเรื่องมีเค้าครงจากเรื่องจริงไม่ได้แต่งขึ้นหรืออาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องใช้หลอกเด็กแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะคนแก่คนเฒ่าเล่าให้ลูกให้หลานฟังและนี่ก็เป็นเรื่องราว ประสบการณ์จริงนะคะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายกลับมาเล่าให้ลูกหลานตัวเองฟังนะคะว่าเคยเป็นแบบไหนทุกครั้งที่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆจากคนเฒ่าคนแก่ได้เล่าให้เราฟังเราก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งแล้วปู่ย่าตายายของเราที่เล่าเรื่องนี้มาให้ฟังท่านเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขไม่น้อยที่ได้ย้อนอดีตกลับไปในวันที่เรายังคงเป็นเด็กอยู่แล้วก็ครอบครัวยังคงอยู่แบบครบ้าครบตากันนะคะ สาหรับเรื่องต่อไปค่ะผีชนบทที่จะแนะนําวันนี้เขาเรียกกันว่าผีไม่ยสินจอนสาเหตุที่เรียกแบบนี้ก็เพราะว่าเรียกตามลักษณะการแต่งตัวของนางค่ะนางจะเป็นผีผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วก็เร่ร่อนไปทั่วตามหมู่บ้านต่างๆนางจะใส่ผ้าถุงสั้นๆครึ่งแข้งก็เลยเรียกว่าสินจอนสิ้นก็คือผ้าถุงอะเนาะจอนก็คือลักษณะสั้นๆนางไม่มีพิษภัยหรอกนะคะผีตัวนี้แต่ว่าจะไม่เหมือนผีปอบนะ นางจะชอบหลอกหลอนเด็กหนุ่มๆแต่ก็มีบ้างแหละที่บังเอิญไปเจอนางหมู่บ้านของบีก็จะมีหนองน้ําขนาดใหญ่ค่ะที่เป็นของหมู่บ้านอยู่นะใหญ่มากแล้วปกติก็จะมีชาวบ้านเนี่ยจะเอาปลามาปล่อยแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านห้ามจับปลาแต่ก็จะมีพวกเขาเรียกว่าผู้บ่าวไทยบ้านนะคะที่จะแอบไปจับกินบ่อยๆแต่ว่าพวกนางก็พากันไปตอนกลางคืนนะคะเดินทางโดยรถจักรยานถ้าไปมอเตอร์ไซค์เนี่ยเครื่องมันจะดัง หนึ่งในนั้นก็คือน้องชายของเรานี่เองซึ่งเป็นญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องคืนหนึ่งนะคะนางก็ไปกันปกติ 4-5 ห้าคนก็มีพวกไฟใายมีเสือมีเบ็ดเตาสามขาปิ้งย่างเครื่องปรุงพร้อมปิกนิกนะคะมีกีตาร์โป่งสักตัวมั้งเนาะความสุขตามภาษาหนุ่มบ้า น, านเรื่องก็ไม่มีอะไรค่ะพวกนางก็ได้แต่ได้มุมนั่งละ ก็ใกล้กันกับบันไดที่สามารถลงไปตกปลาได้ออที่ขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็น40ดีกรีนะคะก็ตกปลาร้องรำทําเพลงกันไปก็เริ่มคึมๆแล้วก็มีอยู่คนนึงนอนลงไปคงจะรู้สึกว่านอนชมดาวหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้บังเอิญจังหวะเงยหน้าขึ้นไปเห็นอะไรปลิวแวบๆอยู่บนแท่งลูกบอล น, น้าปลานะคะไม่รู้ว่ามีใครนึกภาพออกหรือเปล่านะเพราะว่าบีเองก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าเป็นต้นสู ง, สง เป็นเหมือนลูกบอลกลมๆอยู่ด้านบนอืก็ทาสีเหมือนลูกบอล น, นั่นแหละนะคะเขาก็เห็นอะไรปลิวอยู่พอเงยหน้าขึ้นไปแค่นั้นแหละไม่ใหญ่สิ้นจ้อนค่ะนั่งห้อยขายิ้มโชว์ฟันแบบสนุกสนานแวบบแรกที่เห็นคือไม่คิดว่าเป็นผีก็เลยสกิดถามค น, นข้างว่าใครไปนั่งเล่นอยู่ข้างบนนั้นเนี่ย แต่พอทุกคนได้เห็นก็วิ่งกระเจิดกระเจิงค่ะทิ้งหลักฐานทุกอย่างไว้ให้ผู้ใหญ่บ้านมาปรับตามระเบียบนะคะที่นี้มีอีกวิธีหนึ่งที่นางจะใช้หลอกคราวนี้ก็บอกว่ามีคนเจอบ่อยนะซึ่งตัวของเราเองก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ว่าเราก็เป็นคนกลัวผีอยู่แล้วเราไม่ออกจากบ้านตอนกลางดึกแต่ว่าน้องเรามันจะไปบ้านย่า ให้คนเดิมกับที่เจอที่บึงนั่นแหละนะคะแต่ว่าหลายวันผ่านไปแล้วมันก็คงลืมๆืมไปแล้วก็ปั่นจักรยานออกจากหมู่บ้านจะไปอีกหมู่บ้านนึงแต่ว่าก่อนออกจากหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีป้อมยามร้างลักษณะคือเป็นป้อมที่มีกำแพงไว้ให้คนอยู่ยามอะค่ะมันจะเป็นไม่เหมือนป้อมยามตามบ้านจัดสรร น, นะมันจะเป็นกระต๊อบ แต่ต็อบทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็จะมีไม้กัน้นเหมือนพวกอปพอรอมาอยู่อะค่ะซึ่งแต่ก่อนเนี้ยสร้างป้อมยามเสร็จใหม่ๆชาวบ้านก็ผลัดกันอยู่แต่ว่านานๆไปมันก็ร้างอะค่ะใหม่ๆก็มีคนอยู่แต่พอผ่านไปสักปีนึงอ๋อไม่มีใครเข้ายามและอปะพอรรกร้างไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรเลวร้ายไงป้อมแบบนี้มันก็จะมีอยู่ทุกทางเข้าออกของหมู่บ้านตามตาม่ตางจังหวัดแถวภาคอีสานนะคะถ้าใครที่คุ้นตาอยู่บ้านคงจะนึกภาพออกเนาะอ่ะทีนี้ ทางออกที่น้องจะไปเนี่ยมันเป็นสามแยกน้องเราต้องเลี้ยวขวาป้อมยามก็อยู่ระหว่างแยกพอดีน้องเรามันก็ยังไม่ทันปั่นจักรยานถึงแยกหรอกก็เห็นคนยืนอยู่กลางถนนก็นึกว่าชาวบ้านเดินไปไหนมาไหนก็ขับเข้าไปไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าน้องเขายืนอยู่ตรงเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ ย, ยืนอยู่ตรงทางเลี้ยวพอดีพอใกล้ถึงก็มองหน้าชัดๆมไม่คุ้นหน้าแต่ว่าเขาก็ยิ้มให้นะคะแล้วก็ค่อยๆเลิกผ้าถุงขึ้น น้องเราเห็นท่าไม่ดีแล้วไม่ใช่คนบ้าคงเป็นผีแล้วแหละแต่ว่าเรื่องมันก็ยังไม่จบอยู่แค่นี้นะคะก็พอผู้หญิงคนนี้นะคะยืนอยู่กลางถนนนี่แหละน้องเรามันก็ปั่นจักรยานไปใกล้จะถึงผู้หญิงคนนี้และพอใกล้กันแป๊บนิดนึงผู้หญิงคนนี้ยกผ้าถุงขึ้นค่ะแล้วก็วิ่งมาหาน้อง มันก็กลับหัวรถจักรยานแทบไม่ทันแล้วก็ไม่หันหลังต่อไปอีกเลยโชคดีที่ว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่จะไม่ค่อยกลัวผีแต่ว่านางคงจะติดใจน้องเราเนาะมาเห็นถึงสองครั้งเลยหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ยินข่าวอีกเลยนะคะนางคงไปอยู่หมู่บ้านอื่นแล้วละ่ะก็ไม่รู้ว่าถึงบ้านคุณหรือเปล่านะคะลองถามๆดูถ้าได้ยินในลักษณะนี้เหมือนกันว่าไม่ใหญ่สิ้นจอดเนี่ยไปทางนู้นหรือเปล่านะคะนางก็อาจจะเตล่เตร่ไปเรื่อยเปื่อยอะไรประมาณนี้ เรื่องเล่าแล้วก็เรื่องราวแปลกๆตามชนบทนี่มันมีเยอะนะคุณผู้ฟังมันไม่ได้มีแค่นี้นะไม่ว่าจะเป็นการสร้างรูปผู้ชายหุ่นผู้ชายประหลัดขีกเอ้ยหรือว่าให้แม่ไม้มาตำข้าวปุ้นให้กินอยู่กลางสี่แยก แล้วก็มีข่าวลือออกไปบอกว่าเด็กที่เกิดปีนั้นปีนี้จะต้องมากินของแม่ม้อะไรงนี้มีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเล่าคนเดียวมันไม่มีคู่สนทนาด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้อัธรศนะคะต้องมีคนที่แบบสารเคมีตรงกันด้วยนะแล้วก็เคยเจอเรื่องราวแบบเดียวกันเนี่ยมาเล่าแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะถึงจะได้อัธรศแล้วก็สนุกสนานกันไปมีอีกเยอะค่ะหมู่บ้านห่งบีเนี่ยซึ่งกลางบ้านนี่มันจะเป็นตอมะม่วงตอมะม่วง ที่มันตายแล้วนะคะเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นหรอกต้นมะม่วงต้นนี้เห็นแต่ตอมันก็มีคําล่ําลือกันบอกว่ามีผู้ชายเหมือนคนบ้าตอนดึกๆึกดื่นๆมานั่งยองๆองอยู่บนตอม่วงคนก็เห็นกันเยอะแยะอะไรประมาณนี้แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแสงไฟทั้งดวงไฟทั้งตอนกลางคืนนี่หมาหอนกันสนั่นหมู่บ้านแต่จะบอกก่อนนะคะว่าบ้านของบีเองสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ไฟฟ้าเข้าใหม่ๆ นะะมันก็จะมีไฟสีแยกไงไฟสีส้มๆผู้บ่าวทบ้านก็เยอะเหมือนกันนะ ก็เลยแยกไม่ออกนะะี่ะว่าอะไรคือผีอะไรคือผู้บ่าวไทบ้านเพราะมันเหมือนกันไปหมดเลยนะคะอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่บีนำมาเล่าให้ฟังเท่าที่จะนึกขึ้นได้นะคะว่ามีอะไรบ้างยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยก็แล้วกันนะคะอย่าลืมกด s u b ส r ครต์กดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างให้ด้วยแล้วก็แวะตามไปทักทายกันที่แฟนเพจพระเจอผีด้วยนะคะวอรวเนะคะนี่เป็นไง เวอร์ไวเว็บดอทเฟซบุ๊กดพระเจอผีวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ